พระธรรมตามพระใจปิดกครั้งที่100แม้กระทั่งความเจ็บความป่วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็มาจากความเกิดแม้กระทั่งท่านกล่าวว่าความทุกข์ในอบายทั้งหมดเลยนะถ้าเขาไม่เกิดสัอย่างเนี่ยในนรกเนี่ยมันจะทุกข์อย่างนั้นไหมความหอยหิวความอดอยากของเปรตเนี่ยนะถ้าไม่เกิดเป็นเปรตสัอย่างเนี่ยความทุกข์เหล่านั้นจะมีไหมไม่มี ความเยือกเย็นในโลกัาตานรกเนี่ยความหนาวเน็บที่เราว่ามันหนาวเกินเยื่อในกระดูกอีกเพราะว่าหนาวจนละลายอ่ะถ้าตกลงไปในน้ําเย็นอันนั้นเนี่ยละลายหมดตัวเลยนะเหมือนกับก้อนแป้งอ่ะที่ถูกใส่ลงไปในน้ําบางอย่างเสร็จแล้วมันละลายแตกออกหมดเลยมันหนาวขนาดนั้นอ่ะมันหนาวแบบหนาวน้ํากรดอ่ะมันไม่ใช่หนาวน้ําเย็นแบบเรานี่ใช่ไหมมันหนาวขนาดนั้นก็บอกไอ้ความทุกข์เหล่านั้นถ้าไม่เกิดตั้อย่างความหนาวเหล่านั้นก็ไม่มี หรือว่าความอดอยากหิวโหยความทุกข์ทรมานของพวกอสูรทั้งหลายหรือแม้กระทั่งความทุกข์ของมนุษย์นะมนุษย์ที่มีบุญก็ความสุขมากกว่าความทุกข์แต่มนุษย์ที่บุญน้อยๆเนี่ยยอมความทุกข์มากกว่าความสุขปัญหาสารพัดเลยนะเขาหนาวคนทั่วไปหนาวแต่คนมีบุญมีผ้ามาทำให้อุ่นแต่คนที่บุญน้อยเนี่ยก็ยังหนาวเหมือนเดิม ถึงเวลาหิวหิวแล้วก็ต้องกินคนมีบุญเขามีกินอิ่มแต่คนไม่มีบุญกินไม่อิ่มหรือถึงกินอิ่มอาหารที่กินก็มีโทษยามหลับยามนอนยามพักผ่อนคนมีบุญเนี่ยได้หลับนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่คนไม่มีบุญเนี่ยพักผ่อนไม่เต็มที่เพราะั้นความทุกข์ทั้งหมดเหล่านั้นแม้กระทั่งเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ตามมาจากไหนก็มาจากความเกิดนั่นเองแม้กระทั่งความเจ็บ แล้วก็ชราจนถึงมรณะความตายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็มาจากความเกิดทั้งนั้นเองถ้าไม่เกิดแต่อย่างเดียวเนี่ยความทุกเหล่านั้นก็จะไม่มีเลยแต่การเกิดเหล่านี้จะพ้นได้อย่างไรทําอย่างไรเราจะพ้นจากความเกิดอันนั้นได้เราก็ต้องมาไล่อีกครั้งหนึ่งว่าความเกิดเนี่มาจากอะไรพระธรรมทรงแสดงว่ายังไงเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความเกิดชาติมีอะไรเป็นมูลเหตุมีอะไรเป็นปัจจยัย มีอะไรเป็นนิทานความเกิดมีอะไรเป็นสมุทัยชาติมีพบเป็นปัจจัยมีพบเป็นสมุทัยมีพบเป็นนิทานมีพบเป็นแนเกิดพบในที่นี้มุ่งเอากรรมาพบกรมาพบอะไรเกิดมาจากไหนเกิดเพราะมาจากกายกรรมเรียกว่า ก, กรมมาพบเกิดจากวัจีกรรมเกิดจากมโนกรรมที่เราต้องปฏิสนธิต่อไปเพราะเรามีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม กายกรรมเจีกรรมมโนกรรมเหล่านี้ยังลงนำพาไปสู่ความเกิดเพราะกายกรรมเจีกรรมเหล่านี้นี่เองกายกรรมเจีกรรมเหล่านี้ทำไมจึงนำเกิดได้เพราะเรายังมีเชื้ออยู่ยังไม่สามารถที่จะตอนเชื้อได้เชื้อที่นำเกิดคืออะไรตัณหาอาวิชชานั่นเองถ้าหากว่าเราเนี่ยกายกรรมแล้วรู้อริยสัจไดชื่อว่าเป็นมุนีทางตายเป็นมุนีมุนีไม่มีการเกิด ถ้าหากว่าปฏิบัติทางวาจาจนรู้อริยสัจได้นะเรียกว่าเป็นมุนีทางวาจามุนีก็มาจากในโมนยะโมนยะเป็นชื่อของปัญญาคนที่มีปัญญาทางกายทางวาจาทางใจอย่างสมบูรณ์แบบถอนเชื้อพิษไห้คือตันหาและอวิชชาได้แล้วชาติก็ไม่มีแต่ว่าจะถอนเชื้อพบพบนี่มาจากอะไรพบมีอะไรเป็นแดนเกิดพบมีอุปาทานเป็นแดนเกิด มีความยึดถือนั่นเองเป็นแดนเกิดความยึดถือเหล่านี้นะความยึดถือฟังแล้วดูแสดงว่ามันน่าจะมากมายมหาศาลแน่นอนะยึดมากจริงๆเขาบอกว่าเห็นและชอบนั่นแหละยึดแ ล, แล้วล่ะยึดด้วยความเพลิดเพลินเห็นและชอบฟังและชอบอย่างเงี้ยความชอบใจความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นนั่นแหละคืออุปาทานแค่เพลินในอารมณ์ความเพลิดเพลินเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากความยินดีนั่นแหละ เพลินก็นยินดีก็คล้ายๆกันนั่นแหละอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าอุปาทานนะคือชาวนะดวงที่สองชวนะดวงที่หนึ่งเรียกว่าตัณหาตัณหาเหล่านี้มาจากไหนรู้ไหมมาจากเวทนาพอมาจากความรู้สึกทั้งหลายแหละในทวารหกความรู้สึกมาจากไหนมาจากภาษานะมาจากการกระทบเลยถ้าไม่กระทบไม่รู้สึกความกระทบมาจากไหนมาจากการประชุมพร้อมของปัจจัยมีตามีสีมีจกักรคูวิญญาณปั๊บความกระทบจึงเกิด ตานี่มาจากอะไรมาจากนามรูปนามรูปมาจากอะไรมาจากปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นเหล่านี้มาจากไหนมาจากกรรมแน่ดิดฉะนั้นชีวิตก็จะเป็นไหลไปอยู่อย่างนี้ผู้ที่เริ่มเห็นความจริงอันนี้เริ่มตลอดสายเท่าไหร่แล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดในสิ่งนั้นอ่ะจะเข้าถึงอริยคุณคืออริยธรรมอันสูงสุดได้แต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปไหนแล้ว เพราะว่ามันไม่ได้ไปอยู่แล้วไปก็คือไปเกิดอะเกิดใหม่เนี่ยเกิดแน่นอนแต่ในยะอื่นๆไม่มีทางเลยแต่ทางที่จะช่วยเปิดเผยเหล่านั้นได้ก็คือพระพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณจะเปิดเผยชีวิตเหล่านี้ทั้งหมดของเราถ้าหากว่าไม่มีพระตนะตายแล้วชีวิตเหล่านี้จะไม่มีผู้ใดมองเห็นเลยนี่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่เปิดเผยให้เรารู้อย่างนี้ ความรู้เหล่านี้เอาเศษเชี่ยวของท่านมานิดเดียวเท่านั้นเองที่มากล่าวนี้ทั้งๆที่พระคุณของท่านมีมากกว่านั้นกว่าคุณธรรมเหล่านี้ของพระองค์จะเกิดเนี่ยพระองค์ทํำยังไงจึงได้มาพระองค์บําเพ็ญพระจริยาคุณจริยาคุณก็คือทรงบําเพ็ญบารมีอันบารมีที่เราจะกล่าวกันต่อๆไปหรือคุณธรรมที่จะศึกษากันต่อไปนั้นมีเรื่องมีรายละเอียดค่อนข้างมาก เมื่อเราศึกษาถึงพระคุณในอดีตเป็นต้นเราจะเห็นพระคุณในปัจจุบันของพระองค์ความสำเร็จของพระพุทธเจ้านั้นมีต่อเมื่อพระองค์ได้บรรลุสัพพัญญุตญาณหรือพระองค์เป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่ว่าก่อนที่จะเป็นพระอาหารหันต์นั้นพระองค์ได้ทรงสั่งสมบารมีมามากมายมหาศาลนับประมาณไม่ได้ซึ่งทางผู้การทรงชัยก็เป็นผู้ที่ตรึก หรือว่าเจริญพุทธานุสติพอสมควรเป็นพอนทีนี้ก็อยากให้ทางกุโยมงผู้การเนี่ยได้ช่วยอธิบายอารหังทั้งสิบเอ็ดความหมายในการเจริญพุทธานุสติเพื่อเป็นแนวทางต่อไปด้วยเพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงสอนให้อริยะสาวกเนี่ยเจริญพุทธานุสติเป็นต้นพระองค์สอนให้เจริญพุทธานุสติอนุสตินี่อนุนี่แปลว่าตามสตินี่แปลว่าความระลึก ความระลึกลึกความนึกอ่ะถ้าพูดแบบสำนวนทั่วไปก็คือคนที่จำถึงสิ่งที่ทําคำที่พูดแม้ได้นานแล้วลักษณะนี้นะคือลักษณะของสติแต่ว่าสติในที่นี้เป็นไปกับกุศลเป็นสัมมาสติแต่เป็นสติที่ตามระลึกนึกถึงท่าคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นระลึกถึงอรหันตคุณอย่างเนี้ย คนที่จะละเลึกได้นะสติมีสัญญาอันมั่นคงเป็นเหตุใกล้มีความจำได้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติถ้าหากว่าเราทั้งหลายทรงจำความหมายของคำว่าอารหันต์คือในอรหันต์เนี่ยนะคำไหนมาแปลก็ได้ในสิบเอ็ดความหมายเนี่ยนะที่ตัวดำดำหนา ๆ, นาๆนาเนี่ยนะเอาศัพท์ไหนมาแปลก็ได้ชื่อว่าแปลถูกหมดเลยแต่ว่าไกลนี้ก็คือมันเป็นข้อต้น น, นะนะคนก็เลยนิยมแปลว่าพระพุทธองค์เนี่ยอรหันต์เนี่ยแปลว่าไกล ไกลจากกิเลสกิเลสนี้เป็นชื่อของธรรมะที่มันทำจิตให้เศร้าหมองอะอะไรที่มันทำให้ใจเศร้าหมองสิ่งนั้นชื่อว่ากิเลสโลภะเนี่ยคนที่ถูกโลภะแผดเผาในใจเศร้าหมองไหมโทสะโมหะมานะอิจฉามัจฉริยะเป็นต้นเนี่ยถ้าแผดเผาใจผู้ใดแล้วผู้นั้นเศร้าหมองใช่ไหมความเศร้าหมองเหล่านั้นไม่มีในพระพุทธเจ้า กายวาจาของผู้เศร้ามองเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นสักอย่างแล้วพระองค์นี้ละวาสนาด้วยวาสนาคืออะไรคนมีกิเลสนะที่สะสมไว้สมัยเป็นกิเลสมากมากแม้แต่เป็นพระอรหันต์ก็ละไม่ได้อย่างพระปิรินทวัชชะท่านเป็นพราหมณ์เนี่ยเกิดเป็นคนชั้นสูงมาห้าร้อยชาติติดกันเลยนะเห็นใครเนี่ยไม่อยู่ในสายตาเลยนะเป็นไหนมาคนถ่อยเห็นคนอื่นนี่มันต่ำตระกูลต่ำไปหมดเลยอนะไปไหนมาคนถ่อย มาแล้วแล้วคนถไอยเป็นต้นเนี่ยถ้อยคําเหล่านี้เนี่ยถามว่าท่านพูดด้วยโทสะไหมพูดด้วยดูมิ่นเหยียดยามไหมเปล่าท่านเป็นพาาระอรหันแล้วท่านพูดด้วยมหากิริยาพูดด้วยกุศ ล, ลจิตนะครับแปลแบบพวกเรานะพูดด้วยกุศลแต่ถ้อยคําเหล่านั้นเป็นเป็นถ้อยคําที่ยังเป็นวาสนาอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้อยคําแบบนี้ไม่มีสักอย่างภาษาริบุตรนี่เห็นน้ํากระโดดอย่างเลยอุปนิสัยของพยาวานนอนมา เคยเกิดเป็นลิงมาหลายชาติเห็นน้ํานี่กระโดดเลยแต่พระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีกิริยาอาการที่ให้ตําหนิได้สักอย่างไม่มีเลยกิริยาอาการทั้งหมดเหล่านั้นความเศร้ามองในจิตก็ไม่มีความประพฤติเคยชินด้วยอํานาจกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีอย่างพระอุปชาของพระวังคีสักอุปชาของพระวังคีสานี้บางทีท่านนั่งนะท่านกระดิกมือกระดิกอะไรลูกศิษย์นี่สงสัยตอนหลังอาจารย์เนี่ยมรณภาพ สงสัยไปถามพระพุทธเจ้าเอะอุปชาของข้าพระองค์นี่เป็นพระอาหารหันต์หรือยังทําไมสงสัยอย่างนั้นบอกว่าอุปชาเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ๆก็นั่งสันมือสันอะไรเนี่ยนะคล้ายๆแบบเอ๊ะกิริยาอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นพระอาหารหันต์อ่ะก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าท่านปรินิพานแล้วแม้แต่พระอาหารหันต์ไอ้วาสนาอันนั้นเนี่ยละไม่ได้กิริยาอาการบางอย่างเหมือนกับว่าเอ๊ะเหมือนคนมีกิเลสอ่ะเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ทําลายหมดเลยกิริยาอาการเนี่ยนะนับตั้งแต่ผมมาจนถึงข้างล่างเนี่ย ไล่เลยทุกส่วนที่มันผิดปกติไม่มีเลยผิดปกติตำหนี่ได้ไม่มีในพระพุทธเจ้าพญามานเนี่ยติดตามเป็นปะะีอ่ะหาช่องอะ่ะเอ่มจะหาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพื่อที่จะโจท์ขานหาไม่ได้มานพซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพรหมายุพราหมณ์เนี่ยติดตามดูเลยเจ็ดเดือนหาผิดปกติไม่ได้แม่แต่อย่างเนี้ยอะเห็นแล้วโอ้ตามไปทั้งชาตินี้ก็ไม่เปลี่ยนเป็นอื่นหรอกมีแต่อย่างนี้แหละพระองค์นี้สมบูรณ์ กิริยธรรมมาทายาทนั้นที่สมบูรณ์ขนาดนั้น inee, น, กกนี่นเพราะพระองค์เป็นผู้ไกลทําไมพระองค์จึงไกลจากกิเลสเหล่านั้นน่ะเพราะพระองค์เนี่ยทาลายข้าศึกคือกิเลสเรียบร้อยแล้วพระองค์ทําลายด้วยอรหัตตมรรคเรียบร้อยแล้วอรหัตตมรรคมีมอะไรเป็นปจัจจัยเอาแบบกลุ่มๆเลยก็มาจากอนาคามีเพราะพระองค์เป็นอนาคามีมาก่อนทําไมจึงเป็นอนาคามีเพราะเป็นพระสกทาคามีมาก่อนทําไมจึงเป็นพระสกทาคาามีเพราะเป็นพระสโสดาบันมาก่อน ทำไมจึงเป็นพระโสดาบานันเพราะท่านเจริญวิปัสนาที่เรียกว่าอนุโลมยานเป็นต้นมาก่อนอนุโลมยานแล้วเป็นเหตุให้โคตรภูรยานเกิดอนุโลมยานนี่มาจากอะไรมาจากสังขารุปเปกขายานสังขารุปเปกขายานมาจากนิพพิธายานนันนิพพิธามาจากไหนมาจากยถาภูตยานัทสสนะการยังเห็นพูดตามความเป็นจริงเห็นความจริงของรูปนามขันห้าเห็นจริงนะ รูปนามขันห้าเนี่ยมันเป็นชื่อซึ่งเหมือนกับไทยมะพร้าวทั้งลูกอ่มะมันต้องปอกอีกหลายชั้นเหมือนกันคําว่ารูปนามขันห้าก็เหมือนกับพูดถึงมะพร้าวสักลูกหนึงอ่ะการเห็นรูปนามขันห้าเหล่านั้นมาจากไห น, นมาจากจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นต้นมาจากไหนามาจากศีลวิสุทธิศีลวิสุสสทธิเป็นต้นนั้นมาจากไหนมาจากการบําเพ็ญบารมีทั้งสิททัศน์ของพระผู้มีพระภาคการบําเพ็ญบารมีของพระองค์เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ สี่อสงไขยแสนกลับจะไปว่าพระองค์นั้นทําลายซี่กา ร, รแห่งสังสารจักรเลยนะความเป็นอรหันย่างหนึ่งนี่นะกายวาจาของพระพุทธเจ้านะใจของพระพุทธเจ้าไม่มีผลในภพต่อไปอีกสิ่งเหล่านี้เป็นกิริยารุ่นล้วนไม่มีผลในภพต่อต่อไปเลยนะพระองค์แสดงธรรมโอ้โหถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราโอ้โหคงจะได้บุญหลายเหมนกันได้บุญเยอะพระองค์ไม่เป็นบุญเลยที่คําว่าบุญนี่เพราะอะไรเพราะมันให้ผลเป็นสุขเป็นกําไรต่อไปภายภาคหน้าใช่ไหม พองคไม่มีผลนะ่ะแต่ความสุขก็จะเกิดเฉพาะขณะธรรมเท่านั้นเองทําเสร็จแล้วก็แลิวกวันไปไม่เอาเงินเดือนอ่ะเขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างที่ทํางานไม่เอาเงินเดือนสักอย่างรอวันปลดอย่างเดียวเราทางานไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ใช่ทําด้วยความเครียดความไม่ชอบเบื่อนายไม่มีทําด้วยความเต็มใจเต็มที่แต่ยินดีที่จะจับเป็นลักษณะนั้นอ่ะเพราะกายวาจาของพระองค์เนี่ยไม่ให้ผลเป็นพบต่อต่ อ, ตอไปอีกแล้ว สังสารวัตเหล่านี้นะมีบุญมีบาปเป็นตัวเชื่อมตัวชรามารณะเป็นผลของสิ่งนี้เชื่อไหมว่าสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดนะโยมมานั่งนิ่งนิ่งฟังเนี่ยเป็นบุญใช่ไหมเป็นนะแต่ผลของบุญเหล่านี้เนี่ยให้ผลเป็นความแก่และความตายแม้แต่ผลของบุญยังให้ผลเป็นแก่และตายจะกล่าวไปยายถึงผลของบาปเจ็บด้วยแก่ด้วยตายด้วยอกตั้งหากแต่ผลของบุญเนี่ยสุขด้วยแต่เขแก่ตาย นี่ก็คือความเป็นพระอรหันต์นะท่านบริสุทธิ์จริงๆท่านไม่ติดไม่ชาบไม่ถูกโลกเนี่ยรูปไหลเหมือนกับบัวดอกบัวใช่ไหมเกิดในน้ําอาศัยคโคลนตมและน้ําทําให้ท่านเจริญเติบโตพอโตมาแล้วพ้นน้ําและคโคลนตมไม่มีน้ําไปเปื้อนดอกบัวนั้นเลยไม่มีคโคลนตมไปติดอยู่ในดอกบัวนั้นเลยพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เกิดในโลกเจริญเติบโตในโลกพระองค์รู้แจ้งโลก พ้นจากโลกทั้งปวงแล้วแล้วท่านเป็นผู้ควรต่อการบูชาด้วยตัดใจควรแก่การบูชานับตั้งแต่บูชาด้วยวัตถุภายนอกก่อนวัตถุภายนอกในโลกนี้นะอย่างเมืองไทยนี่นะเป็นของพระพุทธเจ้านะทาไมจึงว่าอย่างนั้นก็บอกว่าพระเจ้าตากสินก็บอกว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาเอาแผ่นดินเนี่ยเป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาพระสมณะพระโคดม ก็แผ่นดินไทยอะถ้าแผ่นดินอันนี้เป็นของพระเจ้าตากมาก่อนแผ่นดินอันนี้คือของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้คือของพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าตากที่ตั้งปณิธานในการรบเพื่อเป็นพุทธบูชาคือจะเอาแผ่นดินเนี่ยมาทําบุญเหมือนกันผลโพ์นี้แม้กระทั่งสมบัติในแผ่นดินนะอย่าว่าแต่ lens, แผ่นดินนี้เลยชีว um, ิตของคนระหว่างแผ่นดินกับทรัพย์สินกับเจ้าของทรัพย์สินอันไหนดีกว่าอันไหนสําคัญกว่าคนมีแผ่นดินร้อยไร่กับเจ้าของแผ่นดินไหนมีค่ากว่ากัน ถ้าเจ้าของตายแผ่นดินจะไปเกิดประโยชน์อะไรครั้บเจ้าของยมีค่าที่สุดกว่าแผ่นดินอันนั้นแต่เจ้าของนั้น่ะก็ยังต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าหลังพระองนค์ควรกัการบูชาขนาดนั้นเจ้าของแผ่นดินเป็นต้นก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาทั้นที่เป็นอมิตรบูชาและปฏิบัติบูบชาใช่ไหย แล้วพระอรหันต์อีกข้อต่อไปนะไม่มีความลับในการกระทําบาปไม่มีการแอบทําบาปในที่ลับเหมือนกันแอบคิดชั่วมีเดียวไม่มีเลยแอบพูดชั่วแอบคิดชั่วนะถ้าคนมีกิเลสนะเห็นคนอื่นก็ทําไม่ดีแอบตําหนิในใจนะแอบทําไมมันทําอย่างนั้นไม่พอชอบเลยอันนี้ก็แอบทําบาปแล้วนะแอบคิดชั่วแอบพูดชั่วแอบคิดชั่วอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายแลไรเนี่ยพระอรหันต์ไม่มีแอบทําอย่างนั้นแม่แต่นิดเดียวเลยไม่มีลับไม่มีปกปิด อยู่ที่ไหนยังไงที่อื่นๆก็เหมือนกันไม่มีโลภะโทสะโมหะให้แอบทำชั่วแม้แต่อย่างเดียวไม่มีเลยบริสุทธิ์จริงๆอ่ะใช่ัหมแล้วข้อต่อไปเนี่ยท่านไกลไกลจากใครไกลจากคนไม่ดีทั้งหลายแหละคนไม่ดีคือคนยังไงคนไม่ได้อ บ, บรมกายไม่ได้อ บ, บรมศีลไม่ได้อ บ, บรมจิตไม่ได้อ บ, บรมปัญญาคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าไกลหมดะ จับชายสังฆาฏิของพระองค์เดินตามต้อยต้อยต้อต อ, อคนนี้ก็ไกลแต่ถ้าหากว่าคนมีศีลมีธรรมเป็นต้นถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนก็มองเห็นเขาบอกหิมมาวันตะบันพุขนาดอยู่ไกลยังมองเห็นเลยเพราะว่าไงเหมือนกับดอยสุเทพใช่ไหมถึงอยู่ไกลก็ยังมองเห็นแต่คนพาลเนี่ยนะอยู่ใกล้ใกล้ก็มองไม่เห็นเหมือนลูกศรที่ยิงไปในยามราตรียิงไปมองไม่เห็นหายไปที่ไหนก็ไม่รู้คนชั่วๆก็เหมือนกันเนี่ยห่างพระพุทธเจ้า คนดีนี่ใกล้พระพุทธเจ้าหรือคนที่ขณะที่โลภะเกิดก็ไกลพระพุทธเจ้าโทสะเกิดก็ไกลพระพุทธเจ้าโมหะเกิดก็ไกลพระพุทธเจ้ามองเห็นกุศลแลจิตไม่เกิดก็ห่างพระพุทธเจ้าแล้วหูได้ยินเสียงโลภะโทสะมโหะเกิดก็ห่างพระพุทธเจ้าดูนะวันนี้ใครใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็ขออนุโมทนาด้วยนะแสดงว่าคนที่ไกลก็ไม่ไม่เอาด้วยเพียงนั้นเออีกอย่างหนึ่งนะคนที่ไกลจากพระพุทธเจ้าก็คือคนที่ไม่ฉลาดในธรรมะ ธรรมะคือขันธาตุอายตนะไม่ฉลาดในสติปัฏฐานเป็นต้นหรือไม่ได้รับการแนะนําในธรรมะหรือไม่ได้เห็นธรรมะของพระอาริยเจ้าธรรมะของพระอาริยเจ้าคืออะไรขันธาตุอายตนะสติปัฏฐานหรือธรรมะคืออ น, นิจจังเป็นต้นนั่นคือธรรมะของพระอาริยเจ้าผู้ที่ไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนนั้นห่างพระพุทธเจ้าหรือคนไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้หรือคนปฏิบัติเหมือนกันแต่ทําผิดสูตร อันนี้ก็ห่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันปฏิบัติผิดสูตรก็ห่างพระพุทธเจ้าพระองค์นี่ไกลาจากคนเหล่านั้นทั้งหมดเลยทีนี้เราก็มาตรวจดูว่าเออเราใกล้พระพุทธเจ้าไหมกายของเราได้รับการอบรมหรือเปล่าศียเนี่ยอบรมไหมอบรมแปลว่าอะไรคือทําให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆทำให้มันเกิดมากๆจิตของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไหมวันนี้ชาวนะมหากุศลญาณวิปยุทธ์ ด, ดวงที่เจ็ดนานเข้ามันก็น่าจะดวงที่หกห้าสี่สามสองมากๆเข้าดวงที่หนึ่ง พัฒนาขึ้นเป็นฌานในจิตอย่างเงี้ยอบรมจิตให้มันพัฒนาขึ้นยิ่งๆขึ้นไปอย่างนี้นะจนถึงฌานในจิตมหคตาจิตเสร็จแล้วโลกุตระจิตคนที่พัฒนาจิตอบรมจิตมากๆเงี้ยไกลพระพุทธเจ้าคนที่โอ้โหปล่อยตามเวรตามกรรมปล่อยจิตไปตามกระแสน้ําเหมือนอะไรที่มันลอยน้ําได้อ่ะถ้าจิตที่เป็นไปลักษณะนั้นเนี่ยจิตอย่างนั้นห่างพระพุทธเจ้าแต่คนที่อบรมปัญญาอบรมอุปนธรรมเหล่านี้ก็ให้พระพุทธเจ้าหรือละ ราคะละโทสะละโมหะฉลาดในธรรมได้รับการแนะนําในธรรมเห็นธรรมะของพระเรียเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ในสัมมาปฏิบัติปฏิบัติชอบทรงเป็นผู้อยู่ใกล้ต่อชนเหล่านั้นถ้าคนปฏิบัติตามนี้นะคําสอนจากกระซิบตลอดเลยนะทําอย่างนี้นะเออเมื่อเธอถึงนี้แล้วเธอต่อด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยชื่อไหมยมถ้าปฏิบัติ ด, ดีแล้วธรรมะนำมากระซิบเราเองแต่ก็ต้องคิดตามธรรมะก่อนนะแล้วธรรมะจะกระซิบไม่ใช่ว่าโอ้ยคอยให้ท่านมาโปรด อย่างเดียวไม่ได้แล้วต่อไปนะว่าคุณธรรมอีกต่อไปก็คือทรงละบา ป, ประธรรมพระองค์นี่ทรงละบาปประธรรมบาปประธรมรมทำที่เป็นบาปบาปก็คืออะไรมันลามกกะมันไม่ค่อยดีอ่ะมีโทษดูก่อนมารผู้ลามกเงี้ยที่จริงก็คือดูก่อนมารผู้มีบาปไทยนี่ชอบแปลคําว่าบาปว่าลามก ทำเนี่ยลามกที่สุดราคาถ้ามันลามกมากๆนะมันออกมาหยาบหยาบเราจะเรียกว่าลามกไอเทียสเล็กๆในใจเนี่ยคนไม่คย่ยไม่ค่อยยอมรับแต่ถ้ามันออกมาหยาบหยาบเนี่ยเช่นโอ้ยคนนั้นลาโมกจริงๆเลยอย่างเงี้ยอันนี้หยาบหยาบแล้วคนจะมองเห็นแต่จริงๆไอตัวลามกมันในจีบอันนิดเดียวนั่นก็ชื่อว่าลามกแล้วไอเชื้อเล็กๆนั่นแหละสะสมมากมาๆเข้าเลยเสียหายเลยบาประธรรมทั้งหมดเนี่ยนะมีราคาเป็นต้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมนำมาเส้นความเสียหายในทิฏฐธรรม ใช่ไหมอกุศล น, นี่ชาวนาดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นทุกข์ด้วยนะนี่โดยกรรมโดยอุปนิสัยอีกต่างหากแล้วทําให้กรรมมชรุปเสียหายนั้นอีกต่างหากแล้วพบต่อไปผลของบาปเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นทุกข์อีกแล้วไอโลภโทสะโมหะเป็นธรรมะที่เป็นข้าศึกข้าศึกก็คือศัตรูต่อปฏิปทาให้สัตว์ถึงพนิพพานปฏิปทาให้สัตว์ถึงนิพพานคืออะไร รัฐวิณีวิสูทธก็คือศีลศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามัคคยาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยวิสุทธิเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่ออย่างถึงอมตะนิพพานแต่ไอเจ้าราค่าเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าอย่าไปเลยอยู่นี่แหละมันชอบเพลินในอารมณ์นั้นนั้นส่วนข้อต่อไปบอกว่าพระองค์นี้ เป็นผู้อันท่านผู ai, ้รู้ทั้งหลายไม่ละเว้นพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ละเว้นพระพุทธเจ้าเขารับพระพุทธเจ้าจริงๆอยู่ที่ไหนก็กราบตามละลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระเสขาทั้งหลายคือพระโสดาบันจนถึงผู้ที่ได้อรหัตมรรคเนี่ยเขารับพระพุทธเจ้าจริงๆเลยไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าหรือคนดีๆนะคนดีทั่วไปมีประโยค่อันบริสุทธิ์ประโยคนคืออะไรคนดีมีกายะประโยค่วจีประโยค่ามโนประโยคะมีอาศัยยะอัธยาศัยที่ดี หรือว่าคนที่ถึงพร้อมด้วยถ้าคุณพระคุณคืออะไรคุณคือศรัท ธ, ธาศีลสุตะจาคะปัญญาเป็นต้นเนี่ยท่านเหล่านั้นจะไม่ละเว้นพระพุทธเจ้าเลยจิตถ้าคนยังเป็นไปดีขนาดนี้นะคนเหล่านี้จะไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่สละรอบพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนที่เสื่อมจากคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็ทิ้งพระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนมีคุณธรรมเหล่านี้ พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงละเว้นไม่ทรงสละรอบซึ่งบุคคลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทิ้งคนเหล่านั้นและคนเหล่านั้นก็ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าข้อต่อไปบอกว่าไม่มีการไปในภพทั้งหลายเพราะอะไรเพราะพระพองค์ทําลายกรรมวัตกรรมวัตเนี่ยเป็นตัวให้เกิดในภพทําไมกรรมจึงให้ผลทําไมกรรมจึงให้ผลเพราะมีกิเลสอ่ะเพราะกิเลสนั่นแหละกรรมเลยให้ผลเลยพระพุทธเจ้านั้นทรงทําลายไอ้กิเลสอันนี้ที่โคนต้น พอเรียบร้อยแล้วกําเลยกลายเป็นกิริยาเลยไม่ให้ผลเลยต่อไปพะนั้นโพงไม่มีการไปในภพโดยการปฏิสนธิในภพใดๆไม่มีทั้งนั้นกีนังบุรนังนวังนาท่สัมภวังวิรัติจิตายติแกะนะที่เราเคยเคยฟังพระพระปะริตอะ่ะเขาบอกว่ากองไฟใหญ่อ่ะนะที่มันลุกโผลงแล้วหมดเชื้อหมดปัดจจัยแล้วดับไปเนี่ยถามว่าไฟนั้นอยู่ที่ไหนคติของพระอาริยเจ้าทั้งหลายผู้เป็นพระอรหันตก็ฉันนั้นเหมือนกัน แต่ไม่ใช่อุเฉะท่าที่ทีนะฟังไม่ดีบางคนเนี่ยเป็นอุเฉะทที่ที่อรหันต์ตายแล้วศูนย์คนมีเสน่ห์คิดไม่ถูกทักอย่างอ่ะไปคิดเรื่องรูปนามคันห้ามากๆอย่าไปคิดเลยเอ๊ะพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงบอกโ้โหมันอยู่คนละอย่างก็มันห่างกันมากแลก้วข้อสุดท้ายใช่ไหมเป็นผู้ควรแก่การยกย่องสารเสริญเอาอะไรมาสารเสริญของพระ อ, องค์อ่ะก็คือพระคุณทั้งหมดที่มันเป็นจริงอ่ะที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าซึ่งไม่สาธารณะแก่คนอื่น ถ้าคนที่ศึกษาพุทธคุณมาดีแล้วเนี่ยจะรู้ว่าคุณธรรมของพระพุทธเจ้านั้นอ่ะไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบได้พระองค์เนี่ยเสมอกับผู้ที่เปรียบเทียบไม่ได้เท่านั้นเองก็คือเท่ากับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแต่ว่าในโลกธาตุดียวกันนล้วไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระคุณอย่างเช่นศีลอย่าไปเปรียบเทียบเลยนะว่าใครจะมีศีลมากกว่าพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีปัญญามีวิมุตต์เป็นต้นเนี่ยมากกว่าพระพุทธเจ้าไม่มี ท่องนี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยพระคุณทั้งหมดเหล่านี้ถ้าหากว่าผู้ที่เข้าใจคําว่าอารหังทั้งสิบอ็ดความหมายนี่นะอรหังสมมาสัมพุทโภพะคะวานี่เวลาสวดอย่างนี้ปุ๊บนึกถึงพระคุณต่างๆเหล่านี้แต่ละข้อแต่ละข้อนั่นแหละเป็นผู้ถานุสติด้วยเป็นการนบน้อมต่อผู้ที่ควรโนบน้อมด้วยปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะรมุตมังเรานบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมผู้มีคุณธรรมอันบริสุทธิ์อย่างนี้ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณไม่มีประมาณผู้ใดที่นอบน้อมเทิดทูนบูชาผู้ที่มีคุณไม่มีประมาณบุญที่ไม่มีประมาณก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นด้วยกุศลธรรมเหล่านี้นะกว่าผู้ที่จะมีโอกาสนับถือนอบน้อมพระัตนาตรัยนี่หายากการบูชาเคารพนอบน้อมพระัตนาตรัยเนี่ยมีบุญมากกว่าการสร้างกุฏิวิหารให้แก่สงฆ์ที่มาจากทิทั้งสีด้วยนะเพราะนี้เป็นที่ถูชุกกรรมา เป็นการทำความเห็นให้ตรงอ่ะคณะที่ทําความเข้าใจแบบนี้ชื่อว่าเป็นการทําความเห็นตรงและความเห็นตรงอันนี้ไม่ใช่ตรงธรรมดาถ้าเราเคารพในพระพุทธเจ้ามากๆมีข้อห น, นึ่งใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งเราเมื่อไม่ทิ้งเรานี่แหละจึงเราจึงได้บุญมากมายมหาศาลเพราะว่าท่านจะแนะนําเลยนะเออเมื่อเธอมาอยู่กับฉันนะนะเธอมานับถือฉันและเธอจงทําอย่างนี้กายเธอควรทําอย่างนี้วาจาควรพูดอย่างนี้ ใจเธอควรคิดแบบนี้ตาเนี่ยควรมองแบบนี้หูควรฟังแบบนี้ควรคิดแบบนี้พระองค์จะฝึกให้เลยพอฝึกสําเร็จแล้วเป็นพระอริยเจ้าเลยเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีก็ทําที่สุดแห่งทุกเราทั้งหลายก็จะเป็นพระสงฆ์ด้วยตอนแรกเรานับถือพระสงฆ์แต่ถ้าปฏิบัติจนถึงขั้นที่สุดเราเองก็จะเป็นพระอริยสงฆ์ด้วยจะพัฒนาจากปุถุชนมาเป็นอริยชน อันผู้ที่เป็นอริยชนถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วมาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธิอีกไม่เกินเจ็ดครั้งเขาบอกว่าภูเขาหลวงหิมะพานเนี่ยนะเขาหิมพานเนี่ยมันใหญ่กว่าเขาเอ่ดอยสุเทพเราเยอะกลับเมล็ดพันธผกาศเจ็ดเม็ดอันไหนจะมากกว่ากองทุกของปุถุชนทั้งหลายผู้ยังละกิเลสไม่ได้เนี่ยต้องเกิดอีกพอๆกับคุณเขาหลวงหิมะพานอะมากขนาดนั้นะ่ะ แต่ทุกขของพระโสดาบันเหลือเท่ากับเจ็ดเมล็ดพันธพักกันมันห่างกันมากปุตุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์โทษที่น่ากลัวที่สุดแต่ถ้าหากว่าความเป็นปุตุชนของเราทั้งหลายถ้าเราไม่เทิดทูลเคารพ บ, บูชาพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยความเป็นอริยะชนของเราทั้งหลายก็จะห่างเท่านั้นถ้ายังไงยังไงก็เราอย่าพึ่งทิ้งพระพุทธเจ้านะถ้าเราดีจริงๆนะขัมมะอรหันตก็คือคนดีไม่ทิ้ง ดูว่าใจเราถ้าไม่ทิ้งว่าพุทธเจ้าจแสดงว่าเออเากใกล้พระอรหันต์เข้าไปทุกทีด้วยเหมือนกันศรัทธาอย่างที่หนึ่งเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาอย่างที่สองก็คือกรร ม, มสกทาศรัทธาถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ในพระตถาคตโพธิศรัทธาดี กรรมมัสกตาศรัทธาก็จะงอนเง่นคลอนแคลเนเต็มทีหรือเข้าใจกรรมมัสกรตาไม่ถูกต้องเพราะว่ากรรมมัสกรตานั้นคือความรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมว่าพ่อแม่มีบุญคุณเป็นต้นนะความรู้เหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงเป็นผู้ที่ประกาศเรื่องราวเหล่านี้อย่างชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่อนศรัทธา ในพระตถาคตถ้าผู้ที่อ่อนศรัทธาอย่างนี้เข้ากรรมสกตาก็จะงอนแง่นเมื่อกรรมสกตาสัมมาทิฐิเหล่านี้อ่อนปัญญาไม่เกิดอะไรเกิดแทนยังสัมมาทิฐิไม่เกิดมิจฉาทิฐิก็จะเกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าสัมมาทิฏฐินี้อาศัยการมีศรัทธาก่อนฉั้นสัมมาทิฏฐิไม่เกิดมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดมิจฉาทิฐิมันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะ ความเห็นผิดเมื่อเกิดขึ้นในจิตของบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะคิดผิดไปด้วยมิจฉาสังกปะก็จะตามมาเมื่อมิจฉาสังกปะตามมาคนคิดแล้วก็พูดใช่ไหมคนก็จะพูดอย่างที่ตัวเองคิดนั่นแหละใครชอบคิดอะไรมากจะพูดเรื่องนั้นบ่อยนั่นมิจฉาวาจาก็จะเกิดขึ้นตามมิจฉาสังกปะเมื่อพูดมากๆเข้าก็จะทำเหมือนอย่างที่ตัวเองพูด มิจฉากรรมมันตักก็จะเกิดขึ้นกายกรรมก็เป็นไปตามนั้นแหล ะ, ะนะเมื่อกายกรรมเป็นอย่างไรชีวิตหรืออาชีพก็จะเป็นไปตามลักษณะนั้น <c oughs> มิจฉาอาชีวะก็จะเกิดต่อจากกายกรรมและคำพูดเมื่อ <c oughs> สิ่งที่ตัวเองทำมันผิดเรียกว่ามิจฉาอาชีพก็มีความเพียรความพยายามความบากบัน่นความเพียรพยายามอันนั้นเป็นมิจฉาวายามะ ขยันโง่เขางั้นขยันในสิ่งที่ไม่ควรขยันขยันในสิ่งที่มีโทษเมื่อความขยันอันนั้นของเขาชีวิตของเขาอยู่ด้วยความประมาทมิจฉาสติก็จะเกิดขึ้นมันชีวิตของคนที่ประมาทเหมือนกับคนที่ตายแล้วเพียงกับว่าชีวิตเหลือแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกแค่นั้นเองเพราะนั้นสภาพจิตของเขาเป็นจิต